ที่จริงดิฉันไม่เคยรังเกียดดังงอนการไปงานศพมาก่อนตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นงานสําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งกว่างานวันเกิดวันเงยหรืองานแต่งเสยด้วยซ้ําเพราะถือว่าเป็นการอาโหสิกรรมต่อกันล่ําลากันตามประสา ญ, ญาติสนิทมิตรสหายเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าฉวยให้ขนหัวลุกจุดขีดที่ทําให้ดิฉันไม่กล้าย่างกลายเข้าไปงานศพใดๆอีกเลย นับเวลาได้ราวสิบปีเศษมาแล้วงานศพของเพื่อนรุ่นน้องบริษัทเดียวกันพ่อแม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดอภิธรรมขึ้นที่วัดหัวลำโพงนี่เองถือว่าเป็นวัดใจกลางเมืองตอนนั้นรถดาก็ยังไม่ติดขัดเธเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วและวัดทั่วๆไปก็ไม่รีบร้อนสวดศพกันตั้งแต่หัววันเหมือนอย่างปัจจุบันพงเทพอายุ35ปีหน้าตาไม่ขี้ลิ้วขีเล มนุสสัมพันธ์ดีมากๆมีอารมณ์ขันและช่างพูช่างคุยทำให้เพื่อนฝูงได้หัวเราะกันเป็นประจำใครมีปัญหาชีวิตจนหน้านิ่วคิ้วขมวดเพรได้ฟังพงเทพพูดคุยก็หายเครียดได้พเพลินทั้งๆที่ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนที่มีรสนิยมเพศเดียวกันแต่พงเทพก็ยังไม่มีแฟนสักทีถ้ามีใครมาถามก็ยิ้มฟันขาวพูดติดปากอยู่สองคำเนื้อคู่ยังไม่เกิดกับพี่ช่วยหาแฟนให้ผมสักคนสิครับต่อมาไม่นาน พงเทพเสียชีวิตด้วยรถยนต์เมื่อเพื่อนชวนไปดูที่ดินเพื่อซื้อขายเก่งกําไรที่ชนบุรีในยุคฟองสบู่กําลังเฟื่องฟู ง, ฟ ง, งานศพของพงเทพก็ทําให้เกิดเรื่องสยองน้าขนหวนลุกโดยไม่มีใครนึกฝันดิฉันกับเพื่อนๆไปฟังสวดอภิธรรมทุกคืนพ่อแม่ของผู้ตายใจแข็งเหลือเกินตั้งๆต่ที่มีลูกชายคนเดียวนั่งพนมมือฟังพระสวดด้วยท่าสงบนิ่งพวกเราเข้าไปยกมือไหว้ก็ฝืนยิ้มรับไหว้ขอบอกขอบใจที่อุตส่าห์มากันทุกคืนอรสา กับเพนพรถึงกับหันหน้ามาซับน้ําตากับดิฉันพึมพำเสียงเครือว่าถ้าเป็นเราคงจะขาดใจตายตามลูกไปแล้วคืนแรกพี่แมมหัวหน้าเราก็ออกมาจากบริษัทที่ราชดามางานพร้อมๆกันก็เจอดีเข้าจริงจังพวกเราจุดธูปไหว้โศกออกมานั่งที่เต็นต์หน้าศาลาพี่แมมนั่งคู่กับพ่อแม่ผงเทพแต่พอสวดเสร็จจบแรกพี่เขาก็ขอตัวออกมานั่งสมทบกับพวกเรามีการยกเสิร์ฟเกลียวน้ําถ้วยเล็กๆดิฉันกับเพื่อนๆกาลังถือถ้วยตักเกลียวใส่ปาก ส่วนพี่แมมขอเต้นน้ำเย็นเยียงหน้ามาบอกว่านั่งในศาลาไม่ไหวแล้วพงเทไในรูปยิงแม่พี่ทั้งหลายครั้งทีฉันบิดสำลักเพนพรอนกับอรสาร้องวีดไวเบาๆแถมปล่อยถ้วยปล่อยช้อนล่วงลงพื้นซีเมนต์น้ำเพง้งจนคนอื่นๆหันมามองต่างคนต่างเลี้ยวซ้ายขวาเลือกลั ก, รกบรรยากาศแสนจะเยือกเย็นชวนให้วังเวงใจอย่างบอกไม่ถูกคืนต่อมา มีคุณป้า60เศษ ร, รูปร่างอวบอ้วนผิวขาวแต่งตัวเนี้ยบเครือบประดับปูบา้าบมานคุณหญิงมีลูกๆ ห, หลานๆคอยประครับประคองพ่อแม่พงเทพเออกมายกมือไหว้นอบน้อมเชือ้อเชิญให้เข้าไปไหว้พระด้านในแต่คุณป้าช่งักเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ลูกชายเมื่อตะกี้หายไปไหนแล้วล่ะพ่อแม่ของพงเทพมองหน้ากันก่อนจะเรียนคุณป้าว่ามีลูกชายแค่คนเดียวแต่ท่านยืนยันว่าพอลงมาจากรถมาถึงหน้าสาลา ก็มีหนุ่มหน้าตาดีออกมายกมือไหว้ต้อนรับพี่ไม่ได้ตาฝาดนะหน้าตาเหมือนกรุงเทพเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยรู้ว่าเสียงคุณป้าขาดหายไปเหมือนเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นมาได้ที่ว่าจะเข้าไปไหว้พระเปน็นอันมดลมเลิกแต่นั่งแปะลงที่เก้าอี้ในเต็นต์หน้าตาขาวซีดลูกๆ ห, หลานรีบควา้ายาหอมยาดมมาให้จาระวันคืนสุดท้ายคุณลุงคนหนึ่งลุกจากศาลาเมื่อพระสวดจบที่สองใครถามว่าจะไปห้องน้ําใช่ไหมแต่คุณลุงบอกว่าจะกลับบ้าน ไม่รอให้พระสวดจบแล้วสาเหตุพราะพงเทพในรูปถ่ายหน้าลงน้ําตาไหลพลากจนท่านทนดูไม่ไหวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะตอนที่เราออกจากงานศพมาขึ้นรถไล่ๆกับแขกคนอื่นๆดิฉันกําลังสตาร์ทเครื่องเพนพรกับอร่าสาที่มาเบียดกันอยู่ข้างหน้าก็พูดเสียงสั่นเครืองเหมือนจะร้องไห้ว่าพิดาคะพงเทพมาส่งเราคะ่ะดิฉันหันคว่ำแม้แต่ว่าเป็นภาพเลือนๆก่อนจะจางหายไปแต่ก็ยังจําได้ว่านั่นคือพงเทพแน่นอน แล้วใครจะกล้าไปงานศพอีกล่ะคะ